ถ่าไอคนเ ข, ขาเขายังพอมีความรู้สึกที่ดีกับเราเนี่ยมันก็ยังพออยู่กัได้นะถึงบางทีไอเขาจะทงเสียงเจ้าเจ้าทําให้เราได้รับฝังลมอะไรอะไรบ้างให้เรื่องความรู้ความเดือดร้อนก็ก็ยังพอได้บางทีไอตรงนี้นก็คอยจะคุ้มครองอะไรอะไรที่เป็นความถนัดชอบของเราได้ด้วยที่จะต้องเกิดโทษเกิดอันตรายจากเขาเห ล, ล่านะั้นไม่เป็นอันที่หนึ่งที่ ถ้าไม่ได้มากกว่านี้ก็อย่างน้อยก็ให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นและข้อสองก็คือว่าถ้ามันได้มากกว่านี้เนี่ยในการที่เราแผ่ขับไล่แปฏปิเสธให้ปฏิเสธ ว, ว่าน้าคุณนออกไปน้าใสเข้ามา้างทีทำให้คนที่อยู่ที่นั่นได้กลายเป็นคนดีกลายเป็นคนดี ก็มันก็เหมือนกับว่าคนชั่วหายไปคนดีเข้ามาแทนที่อันนี้อย่างเล้ถ้าหากว่าคนนั้นเขาเปลี่ยนไม่ได้อ น, นี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไม่ได้และหรือเราเองมีพลังแรงคนชั่วนย้ายต้องอย้ายบ้านนี้อต้องมีอันเป็น เป็นต้องย้ายบ้านไอ้นีเนี่ยเราเองเราก็ mm hmm. ก็ mm hmm. ต้องเขืเ่ยไว้แลเวลาแต่ไปน้าไม่ใช่ว่าเออขอย้ายบ้านนี้เขาเกิดเลยไม่เราไม่คิดอย่างนั้นนะหรือเขาถูกไล่ที่เพราอะ แ, แล้วไม่คิดนะขอคือก็เป็นลักษณะว่าเออถ้าเขาไม่ดีคอจะอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่เขาก็มีธรรมาทางความเดืดร้อนไห้กับคนดีๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เข้าไปที่อื่นให้เขาได้ดีกว่านั้นนะแต่ไม่เป็นลักษณะเออ เขาอาจจะย้ายจากกระท่อมที่อยู่ข้างมาแล้วก็ไปโรุปในที่อื่นเป็นบ้านแบบทันสมัยอยู่สบายกวา่าแต่ว่าผลเวลามันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดเอาไว้อย่างไรอย่างไรนะมันจะออกมาเป็นต่างๆกันบางรายก็ไปได้ดีไปดีย้ายไปได้ดีไปดีบางรายก็อาจจะมีการรบหายได้จาก ือก็เมียตายขัวเลยย้ายพ่อตายลูกเลยย้ายอย่างงี้นะหรือว่าบางรายก็อาจจะอ่าโดนขับไล่อันนี้แล้วแต่จะต า, จจาการรมคนถ้ามันเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราบาปไหมถามว่าเราบาปไหะคือไอ้ผมเนี่ยผมไม่ยืนยนันนะนะแต่ว่าอทุกวันนี้ยผมอยู่โดดเดี่ยว บ้านผมเพื่อตัวเดียวที่เคยที่นี่ยังไม่มีใครเไปเลยแต่คนที่เคยไปทังๆว่าไม่อยู่ใหม่ๆก็ตั้งตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผมอยู่โดดเดี่ยวแต่คนจะทำโมยขอนต่อบ้านเนี่ยมันทําได้สบาปไม่มีใครเห็นคือเมื่อเมื่อก่อนในยุคนั้นมันมีบ้านคนอยู่ยยยยยแล้วค่อยๆย้ายไปทีละบ้านที่แบ้า เ๋ยอะผมนับไปมีที่หลังหลังหลังแรกหลังแรกที่เลีงจะกินไหนจ ะ, จนนจะเลี้ยงหมาดูหมาพันลหลังงานตีหาตัวเลี้ยงดวยกันกับมยของาะขอ ง, ของหายบ่อยเวลาเราเราเดินเข้าหรือใครเดินเข้ า, นาเาานี่งคนเขาจะเอาโยงถุงเแล้วก็แล้วมีลูกคนงานเยอะแล้วก็ชอบเปิดคา็นโอแบบดังๆเขาดังลุ้นแล้ว ใจก็เกิดไอ้ขอขัดแยงแ้งอะไรก็ย้ายไปไปอยู่ไปที่อื่นแล้วก็ตอนหลังเห็นว่าย้ายไปไานจังหวัดติดมีมีรายหนึ่งทั้งที่เขาก็มีนั่นใจเอื้อเฟื้ออะไรกับผมนะฮะเราก็ไม่ได้เคยคิดไปนหร ล, ละแล้วก็มาถึงอีกรายหนึงรายที่สองไอ้มาที่อยู่อยู่ทางที่อ่าอีกรายอยู่ที่ที่ไหนล่ะท่านะนทื่ขโมย ขโมยชนได้เสาเหล็กเสาเสาหินนะไอ้ขี้เหล่านั้นผมบางเอเขาย้ายตั้งแต่ก่อนผมมาซื้อที่ขุดย้ายแล้วจะขี้ขโมยลื้อต่นั้นเขาบอกนะไม่นานยหายย้ายไปฝั่งนี้อ่ะทีนี้อฟังหนึ่ง หยุดยาไปตายปรากฏว่ายาแล้วก็ต้องเลิกคือเขาทำผลเดียว น, ยนันเลิกไปสามีตายมีประสบอุบัติเหตโอ้ี่ครับเป็นเรื่องจริงผมเสียใจายมากเนะลยว่เรื่องจริงมันเกิดจากผมนะผมทิ้งไปเนะี่ยก็เลย ไปทั้งวันไปอยู่ทั้งไกลลุบเลยไม่ได้เจอได เ, เจอกันเลยนี่หลายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่ฟังนี้นะี่กับผมมากผมไม่เคยเด่นบุญกุญกันเลยมาก่อนมาไมา่นานเ้าดีเขาใจด้วยแต่เขาเสียอยู่อย่างเดียวขอบกินเหล้าสร้างวนกินเหล้าวันนี้เย็นเนี่ยแค่ข้ามกูข้ามไอ้ไอ้ไรล่องคันเลยที้จะถึงบ้านเขาติ๊กเป็นบา้านาที่เร็วใกล้ที่สุดด้วยกัน ย้ายไปเป็นเป็นรายรองสุดท้ายที่เรามีคนมาทํางานทำอ่ะไรทวนเลยกอรี่เล่ากันเนี่ยแต่เขาไม่กล้าัวอน่ะหล่ะเขาคงรู้อะเราก็ไม่เคยแนะนําตัวร์ก็ไม่กล้าัวไปเกลืองเบเกอีเล่าไปแล้วก็ข้อไอ้กระป๋องกระปุกอะไรก็ส่งเหลือเยอะจ้านะเป็นๆแต่ว่ารนี้เขาย้ายไปดีเข้าไปขายที่แปลงอื่นนะเขาก็เลยย้ายตระกูลบ้านกระยาอยู่สบายเลย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 จราออเกเผมก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเขาก็ดีกับผมเวลาจะเดินไปสามการะทรวงจอผมําหน้าเขาไม่ได้แต่อีจีนก็เป็นงไงแล้วไม่ทราบไม่เคยไปดูเแต่ไม่รูกที่หลังว่าโดนยิงตายเพราเป็นตังเลงแล้วก็อยู่ต่อมาตัวพ่ออเขาตายลูกสาวก็ทำรับราชการก็อยู่ในที่ไหนก็ยากก็เลยหมดเลยนะผมไม่มีเพื่อนบักอยู่คนเดียวเดยโดดอยู่จนถึงวันนี้ ที it, aging, mm ่จรงมันก็สบายดีนแต่ว่าบางทีพอจะยกจะยกจะขนอะไรเนี่ยโอ้ต้องไปตามไปกดข้างนอกมันเรื่อยยกหาเอยเนี่ยของหนักๆเลยเลยขาดตรงนี้ไปในความสงบ่งอ่าแฮะอ่าตรงนี้ผมก็ก็ก็เล่าให้ฟังเป็นลักษณะอย่างนี้ตรง เราเป็นหลักเป็นเป็นเป็ น, ปนที่ทีไปเล่าตดวไปเลยะพูดถึงว่าเวลาเราแครนะ์เนี่ยนะถ้าเราอยู่ในในในที่ทำงานนะหรือแม้แต่คนที่อยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยอีก็นครอบครัวใหญ่ยหลายๆคนเนี่ยจริงก็มีกระทุกระตั้งอะไรกัน <c oughs> เยลยเวลาทำแล้วเนี่ยมันจะออกมาคือี้ผมก็พูดผมก็ต้อง พ, พยายามออกตัวว่า ไอ้ข้อจะปิ้งเงนจะยังไงเนี่ยก็เอาไว้เด็ดนะแต่ไม่เป็มันออกมากันว่าไอ้ครอบครัวใหญ่มันต้องเกิดการโยกย้ายนะฮะยังคนที่เป็นปัญหาเขาต้องโยกย้ายออกไปอยู่ที่อื่นอไปนัี้ยมันก็หมดหายแล้วก็บางคนก็ต้องเล้มหายไปจากคือตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องอการจัดสรรของกรรมกันนะคนที่เขามีกรรมเขาจะต้องเป็นยังไงยังไงเนี่ย ก็จะต้อเป็นไปแล้วเองเราจะต้องไม่ไปคิดก้าวเลยถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องคอยคิด ก, กักไว้วา่าเขาจะเสียหายก็เสียหายแต่ น, น้อยถ้าเป็นไปได้อย่าให้เเสียหายแล้วขอให้อะไรที่มันมันออกไปในรูปที่เป็นเามือนสารคาประโยะนกันดีที่สุดนะ่าะเป็นสิ่งที่เราพอใจที่สุดแต่ไอ้ตรงนี้นะในแง่ของหลักกลางแล้วเนี่ยมันว่าคนที่ทําอะไรกับคนไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องมาบอกแล้วะะละะลล น, นะปฏทนไล่ปุ๊บอะไรปฏิทินไล่เตาะอะอย่างเงี้นะ จะพปทุจร้ า, ายได้การได้วาจากขาดีมันมันคือการองร้ายตดยเองของเขาแต่ใ น, นบางทีเนะี่ยแม้แต่คนที่เป็นผัวเมียกันเนี่ยนะที่เคยมีมาเนี่ยที่มันลุนแรงก็คือว่า่ายหนึ่งตายละ่ายหนึ่งต้องตายมันมีสองน้ำหนาย อย่างรายหนึ่งก็เป็นเออผเคยเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะตามาราบรายหนึ่งเป็นเป็นคนรับใช้เขาด้วยซ้ำแล้วมันได้เจา้ า, จานายดีเจ้านายดีไหมเพราะาจา้านายทําบุญลุนทานแต่ถ้า เ, เป็นคนบ้านนอกองโ ง, โงเนี่ยอูดาตามภาษาบ้านนอกมาเนี่ยงงมันจะรู้เรื่องอะไรแล้วตางอะไรก็รู้บ้างมาจะรู้บ้างแต่ถ้ามาสอนให้ให้บาดให้อะไรเงี้ยนะให้ทํากับ ฟังทำมาให้พอพิจารณาธรรมอะไรเงี้ยตอนแกก็ไปใช้ไปแล้วคดคือเราจะทำก็ ท, ทำจริงแต่จะทำแล้วกโง่แล้วทำแบบว่ามันก็ทาเถ่นไปนเถ่นตรงเลยเจ้านายให้ทำ<ม>นี่แกก็ทำปรยากฏว่าสามีคนแรกเนี่ยตายคนเก่าที่แส่งแกรายใหญ่นั่นตายแบบที่ทาแกแล้วก็พอต่อมานางเขาก็ไม่ได้สามีคน อะไรเห็นคือบอกเลิกลาหมายแล้เลิอกอะ ก, ก็กลับไปใจก็เลยหมายใจก็ไปอยู่โรแมนติกนะนะเออแต่งสองค น, นเลยเลวพอฟัด่อเหวียงกันเลยเ อ, อ่าก็เลยไปก็เลยอยู่คนเดียวก็เลยมีความสุขสบายไปทีนี้ อ, อวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะไปไปเจอเขาแล้วก็ได้เขาก็ได้พูดอะไรมันอย่างเลยโอ้โหคนนี้นะที่มันต้องไปเจออย่างนี้มันมีกรรมติดอยู่ในสันดานจริง อยู่ในตัวเพราะว่าเป็นคนรุนแรงเพ่ถึงไอ้บุมบ่มุ่มดีก็ดีที่เรารูกรุนแรงเนี่ยเพราะว่าอาจจะตีลูกอีจะเอาตายนะไปแบบเหมือนคนป่าเถื่อนกนะ็เลยบอกรูกอีเข้าฝากไปเนี่ยบอกว่าไอสอนยังไงมันไม่กลุม ก, ก็หนีสิใช่ไหมพอห น, นกกีก็ยิ่งไปโกรกแกก็ยิ่งไปไปมารุนแรงขึง้นก็เลยบอกว่านี่แหละ อุปนิสัยที่มันแสดงถึงอิจารากรตัวแก่ต้องมาได้สามีประเภทเลี้ยงเรื่ยแข่งเพียงเรื่อแข่งเลี้ยงเรื่อ ย, ยของแข่งแกก็ลยวิเลยประสาทระกราบเอาเนี่ยเพราะอย่างนี้นี่ให้จำไว้เลยต้องต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยมันถึงจะพน้นเด่นดวงดับคื อ, อพ้นเก่าแล้วก็ไม่คือใหม่ในลักษณะที่เร็วได้ จริงมีคนทังให้ปฏิบัติทำแล้วทาไมครอบครัวแตกนี่ทำไมครอบครัวแตกบอกว่าที่แตกไม่พอปฏิบัติทำจริงเพระอะไรเพราบางรายเนียเราปฏิบัติเราแต่แล้วมันเขาเรียกคนอื่นที่เยียวยาได้ก็อยู่กันต่อไปได้แต่บางรายเนี่ยมันคนเยียยาไม่ได้เขาไม่ดีพอที่จะได้อยู่กับเราคนอย่างเรา พ่อเขต้องแยกกันไปขเขาแยกกันไปหรือจะปเป็นเม่อเถิดได้เมื่อได้ดีหลังอีกหลายปีต่อมานั่นมันก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเลยต้องคิดอย่างเลยต้องบอกกันซก่อกับคนบางกนเน่ยว่ามันอาจจะออกมาเป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าจะอยู่มบนแบบเราแบบจำๆแบบนั้นแต่ข้างหนึ่งเขาดีเราไม่ดีนะเขาเขาก็ต้องไปจากเราอยู่เหนือนรับ อันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องในง่ของครอบครัวนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของยำคนงานเนี่ยคนงานที่ออนัชงานรที่โกงบังเอิญผมไม่ใช่เป็นผู้บริหารไม่ได้มีลูกน้องตอนแต่ไหยก่อนก็ยังไม่ได้ใช้ธรรมะก็เลยไม่มีกรณีตัวอย่างแต่ในแง่อย่างนี้ที่คนมีบริษัทบริวารที่โกง ยังมีบางคนก็เคยมาเนี่ยโกงก็แค่แผลเมตตาแผให้าจนมันออกอ่ะมันออกไปเลยโดยไม่มีดีๆมีๆมุยเพราะมันอยู่กอกกิงมาเป็นจขึ้นปีละแล้วมันก็ไปจบเก่งอะไรเก่งให้เจ้านายบางคงก็สอบมาเห็นมันเป็นคนดีแต่สำหรับมารีอคนนี้เขารู้ว่าตัวปัญหาตัวนอน บ, บ่อนไส้ตัวทำลายอยู่คนนี้ เราแผลไปจนออกเขาเลยบอกนายออกแล้วเราหาปั๊แล้วบางรายก็แผลเี่เราตั้งไอ้คนถูกแพลเนี่ยนะไม่ใช่คนแผล น, นะบอกหน้าดำดำบอกก็ไม่รู้ว่าไม่ได้กั็นหน้าเขามันเป็นหน่อยหน่อยหน้าดำคำ้ำอิกมรลกไปเออมันมีปฏิกิยาอะไรก็อะไรู้นะ <c oughs> วยอ่ะก็เลยเป็นการขัดคนทีย่นี้มันพอขัดคนนะขัดคนว่าคนมีบุญจริงคนดีจริง คนอ่วดจิ้จงคนบาหนะแล้วก็ขัดจัดสัตบริหารด้วยด้วยสิ่งเหล่าถ้าอย่างเราเป็นคนที่เพิ่งหัดเนี่ยเราต้องทํสสาสตร์สมศาสตรมันเป็นนิสัยในดาราธรรมเป็นกรณีต่างๆนี่เป็นนิสัยเนี่ยอาหเข้าขมันก็จะเป็นการปะสมที่มีผลที่เราพอเห็นอารมณ์กันใจ ใ, นใจร้อนไม่ได้แต่ว่าบางทายที่เขาเขาตบาแรงอยู่แล้วเนี่ย แผ่แล้วมันก็เห็นผลอย่างอันโลกตันใจอันโลกตันใจแผ่ให้มาแผให้ไปแบบเจาะจงคนที่รู้แท้ แ, ทแน่ชัดแล้วน ะ, ะถ้าชั่วให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ให้ไปสู่ที่เจ้าที่เจากแต่ไม่จช่แตละโลกที่เจ้าพี่เจาะที่เขาไปอยู่แล้วมันดีกว่า น, นี้หรือเดือด ร, อรอกก้อนน้อยกว่านี้ก็ใหายไปที่นั้น แล้วก็ต้องวางอย่เป็นกลางอย่างนี้แต่มันจะเป็นเรีอนเป็นการมของเราจะต้องมาจดใจขอกมาเราก็เต็มใจอยู่กันตอ่อไปเหาอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือได้ได้สภาพจิตใจที่ไม่สูญเสียอย่างอื่นอาจจะสูเสียไปตามสมควรฮะนี่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องในที่ทํางานในการเล่นแตของสูงก็เล่นกับเจ้านาก็เราก็ พิจนาเอานะอยากจะเปลี่ยนที่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ ล, ลองลองอัดดูแล้วก็ได้พิสูจน์ธรรมะอล้ก็ได้ฝึกตัวเองขึ้นมาใช้สิ่งเหล่านี้ก็จะได้ทําตนให้เป็นเป็นเหมือนเป็นผู้ดูแลสังคมดูแลอะไรให้มันเกิดความเหมาะสมสอดค้องแล้วก็ไม่ไม่เป็นบาปไม่ดีหาย จ, จะทําเป็นนะทาดี อ, น, น, อ, อนี่อ่าอีกอันหนึ่งก็คือ ในแง่เาต่างคลมในแง่ต่างกมเปิดปุอันนี้มันก็ตรงนี้เรามีทางเรียกมากกว่าอย่างอื่นนะแต่เราจะครบใครใครจะมาครบเราแต่ที่มันบางทีเราเลือกผิดเนี่ยที่ว่าเลือกผิดเพราะว่าบางทีเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานด้วยกันไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ได้คนในละแวกบ้านเดียวกันเนี่ยนะเราก็ดูก็ไม่ดูดูหน้าเห็นหน้าไม่รู้ใจทางนอนหลังที่เห็นหน้ารู้ใจอะไรเห็นหน้าเลย นะอการประว่าิธรมากเ็เห็นน่ารือใจก็พบกันมางทีก็เพ้อร่อยเกิดอเดินรอยแล้วเข้าใจผิดจะเมื่อว่าจะเป็นสังคมโลกหรือเข้าวัดมันก็นเป็นสังคมนะฮะไปโดนต้มโดนหลอกโดนพุ้นอะไรงี้นะเวลาฟังธรรมะแล้วก็นึกว่าธรรมะนั่นเป็นตัวคนพอไม่ได้ฟังคนโดยก็เลยเกิดใ้ความผิดพลาดขึ้นในสังฆวัดหรือบางทีไม่ผิดแต่ว่ามนาจจะถูกน้อยหน่อยหรืออาจจะ เป็นประโยชน์แต่เราหน้าหน่อยที่เลือกที่อื่นมาหน้าที่นี้ให้เราเลือกและเราก็น่าจะเลือกได้แต่บางทีก็เราเข้าไม่จัดแต่ทีนี้ตรงนี้เนถึงว่าเราจะเข้าสู่สังคมศาสนาเข้าวัดเข้าปฏิบัติสแสวงหาครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องใช้สิ่งเหลนี้ด้วยนะแผ่มาแผ่ไปคัดสรรสิ่งเหลนี้นให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องก็จะเป็นประโยชน์ใน อเดียวกันที่พูดถึงในกรณีของสิ่งที่เป็นคนเป็นสังคมแต่ว่าไอ้การตัดเปล่าสิ่งเดียวลน์เนี่ยมันต้องจากตัวเองออกมาสิ่งที่เป็นตัวต้นเงาสําคัญเนี่ยเอาเข้ากิงแล้วมันไม่ใช่คนอื่นเป็นเรื่องสำคัญต้นเงาที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ในตัวเราเ คือกิเลสของเราความดีความชั่วของเราแล้วก็ถ้าเป็นความชั่วใหม่ก็คือธรรมะเจรียธรรมที่มันกำลังเต้นมีกิจวิวายุขณะนี้กับความชั่วเก่าที่มันทิ้งเป็นร่องรอยของวิบากกรบที่เราได้ทำไว้มันก็จะปรากฏในตัวเราเวลาเราดูคนเนี่ยเราก็จะดูมันสองอย่างหนึ่งก็คือดูในแง่ค่าทางจริญธรรมดีชั่ว ขอดูในแง่ค่าทางวิบากมีชั่วเนี่ยมันจะมีแววบอกอบางทีคนนี้เป็นคนเจรียธรรมดีแต่มีวิบากไม่ในเรื่อ ง, องนี้เรามีไงนะมันก็มามาอยู่ด้วยกันได้มีเวลาที่เราเรื่อต้นขับไล่สิ่งชั่วร้ายจากตัวเราเนี่ยเพราะว่าเราจะไล่ความชั่วจากตัวเราแต่ผู้เดี๋นี้ท่านก็ แต่สงสัยว่าไอ้ความทั่วนีงแต่ไล่ยังจะ อ, อยอมออกเลรอมันเหมือนอะไรยังอะไรเหมือนคิดใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือเหมือนกับอไข่หรือเปล่าหรือเหมือนกับพูดปีติลาอะไรมาเข้าแล้วไปเที่ยวไล่ลมันจะออกง่ายๆไอ้ตรงนี้นะมันไม่แค่ออกโดยตรงแต่บางทีมันก็ออกความชั่วบางอย่างเนี่ยแค่เราปฏิเสธมันก็หลุดแล้วจริงๆจริงๆอย่างคนติดบุหรีร่เงี้ย ก็ตัวเองว่าสู่บุรี่เป็นหมาไม่สู่เป็นคนอยากเป็นหมาไม่เป็นคนถ้าอยากเป็นหมาจังสู่ต่อไปก็ยี่ตั้งสองทิ้งหมดโอ้ไม่เจอไปแล้วด่าตัวเองว่าถ้าเป็นหมาก็สู่บุหรี่ไปขอโทษคนติดบุหรี่ที่เขาว่าตัวเขาเองไม่ไ ม, ไม่ด่าคนอื่นแค่พอพูดอย่างนี้ยอืฟองได้อหรือตั้งจิตที่ว่าต่อไปนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ พ อ, อเสียผลในใจอย่างนี้นี่ก็หลุดได้เออมีบางกัดที่เป็นกิเลสพันต้นๆก็หลุดได้โดยความปรารถนาอย่างนี้นี้ถ้าเราเราไม่ว่าเราทําำบ่อยๆความชั่วหายไปแล้วเราขึ้นบัญชีดําเลยความชั่วอย่างนี้ของเราให้หายไป ห, หายไปเนี่ยแค่เราอธิษฐานอย่างนี้ก็ถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งแต่ว่าผลที่เราจะได้เนี่ยคือว่า ท, ที่จะได้ทําให้เราละความชั่วก็คือได้คบบุคคล พบขึ้งมือ่พบเหตุที่ทําให้เราดีขึ้นคือพบมัณฑิตพบคนที่จะมาตรงข้อเราจะเป็นฆ่าเป็นโยมเป็นจีหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนในบ้านในเรือนนั่นเอง่แล้วก็อาจจะพบมรรควิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาจากคนหรือบางทีมาจากสิ่งพลประหลาดอย่างบางคนเขาเล่าเนี่ยนะฮะท่านก็ฟังไว้มีคนมาเล่าและสิ่งเสียงประลาดประลาด บอกบอกเนี่ยว่าก็เราอย่าไปออย่าไป อ, อเราเรามันมาป็นคนพลนองหลงตนเนี่ยเลิกพลนองห ล, ลงตนได้ไหมละ่ะมีเสียงประหลาปหลาดมาคข้ากระแสงเข้าหูเปลี่ยนทันทีเลยนี่สายเปลี่ยนทันทีโดยความกระดุมสะเทือนขึ้ อ, อันี้ก็เป็นเรื่องเรื่องการอ่าได้เคลื่อนแก่ สำหรับบางคนนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาใจกับทุกคนแต่นีเมื่อเราคิดอยู่อย่างนี้ป่าสนาอยู่อย่างนี้เนี่ยคือโดยธรรมดาคนเราเนี่ยถ้ามีความมุ่งหวังอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็สอดสายสายตาไปความป่าสนาอยู่มันต้องเจอเหตุผกิจเข้าจนได้อ่ใช่ไหมบางทสิ่งที่เห็นจำเจมางทีก็ไอ้หนังสือที่ตัวเองเอเก็บไว้ในในตู้หนังสือนั่นแหละ หร่เฉลือใจไปหยุดมันขึ้นมาดูอะไรเงี้ยก็ได้อะไรขึ้นมาทําให้ตัวเองเปลี่นแปลงนี่ไมกว่าเรื่องได้เหตุและตรงนี้นะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องสาคัญที่สุดสมมติว่าเราแพ่ไม่ตายตัวเองตรงนี้เป็นไม่ตายตเองขอให้เราอันความชั่วร้ายในตัวเราเนี่ยหายไปให้ความชั่วล้ายในตัวเราหายไปด้วยเหตุด้วยมรรควิธีด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอให้หายไปโดยเร็วให้เราได้พบเหตุคือพบบัณฑิตพบหลักการแล้วก็ได้เกิดความปรารถนาจริงทางความชั่วร้ายอันนั้นอย่างรุนแรงก็ทำให้เปลี่ยนได้ก็ อ, อย่างรายที่ที่รู้จักจากคนที่เป็นคนเจ้าชู้อย่างอย่างร้กาศเนี่ยครับกลายเป็นคนอี่เกลีย เปลียดความเจริญ อ, อย่างรุนแรงเข้ากระดูมดำไปได้เหมือนกันนึกถึงที่ไรเกิดความรู้สึกรังเกียจอย่างรุนแรงอ่าอันนี้เป็นเรื่องในตัวเราขับไลยทีนี้มันมีอีกอันหนึงอีกคือให้สิ่งชั่วร้ายชนิดที่เรามองไม่เห็นที่ อเวลานี้ผมก็รับปากที่จะช่วยท่านทุกหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดนะครับเป็นเรื่องประหลาดที่ก็อย่างที่ต้องบอกว่าเรื่องคุ้นไส่ประหลาดผมก็ไม่รู้ยังไงเจอสิ่งเหล่านี้นะีย่ยมาเจอไม่เคยเจ อ, อเองใช่ไหมว่าจะต้องมีไอ้คนอย่างนี้ประเภทนี้มันเป็นประเภทหนึ่งที่ต้องมาได้สัมผัสต้องมาได้ข้อมูลประหลา ด, ลาดทีนี้ พอเราเจอเรามาเล่าเขามันก็ชวนดูถูกชวนหน้าดูถูกอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนมีการศึกษาเป็นเป็นเรื่องที่คนมีอันจะกินเป็นด้วยเป็นเรื่องที่เขาได้พยายามที่จะดูแลแก้ไขด้วยปการะต่างๆมาแล้วเขาเอาชนะไม่ได้มันทำลายชีวิตจิตใจเขาอย่างนี้นี้ ในการแก้ไขกระทั่งว่าไปแก้ไขในเรื่องเคล็ต่างๆในทางไยศาสตร์เนี่ยนะสารพัดจะบัดเออมันก็ยังไม่ยอมหลกดนะอ่ะอนี้ถ้าเป็นไอวีที่ผมแนะนำก็คือใช้พลังของธรรมะที่บางส่วนแล้วก็พอช่วยได้บางนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งสำคัญในเขาเองจะต้องเอาวิธีเนี่ยแล้วก็ไปสร้างพลังนั้นให้เกิดแล้วก็ใช้บาบัด ต, ตัวเ ให้หลุดจากสิ่งเหล่านี้มันก็พอเป็นไปได้เพราะว่าเคยพอใช้ได้ผลกับบางคนมาถึงไม่มากนักเนี่ยก็รู้สึกว่ามันพอได้ก็จึงอยากจะลองที่สูดดู ด, ด้วยแล้วก็ช่วยนนอนุเคราะห์เครคอขกันด้วยนีไอ้ทีกทางเนี้มั่นก็คือการใช้พลังบุญพลังเมตตาภาวนาในี่ยนะ สลายออกไปคือมันไม่ไม่ใช่มันก็ไม่ได้มาง่ายๆอย่างนี้เดีย๋ยวต้องประกอบด้วยอะไรต่างๆบางอย่างยังมีผิวผเข้ามาให้ให้หลุกอย่างน้าานอยก็เรื่องจิตใจเนี่ยให้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็สลายสิ่งเหล่านี้ให้มันหายไปจากชีวิตจิตใจของตัวเองโดยลําดับไปใบางรายเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาพอจะมีพื้นฐานบุกบุยเยอะ ก็รู้สึกว่าเขาเยียอยาได้าบางรายก็ไม่มีพื้นฐานบุญก็เลยเ ย, ออยียวยาไม่ได้แต่เราเป็นยุ่งเขาก็เราก็เหนื่อยมากอ่าการละตรงนี้นะ่ะถ้าใครไม่มีความจําเป็นตรงนี้มันก็ไม่ต้องไปสนใจนะเอาไว้ว่าไปเจอใครเขามีปัญหาตรงนี้ ที่มองไม่เห็นเนี่ยนะมันมีอยู่หนึ่งในเรื่องของอำนาจจิตฝ่ายต่าสองอำนาจโอปปะติกาสัตวฝ่ายต่ำมันมีอยู่แล้วก็ชีวิตคนในปัจจุบันเนี่ยบางทีเขาไปเจออะไรทั้งหลายเป็นเรื่องคือลึกคือล่านนี่นะมาวางก็ไปนั่งคุยกันมาสองสามชั่วโมงก็เป็นเรื่องก็คนอย่างเราๆนี่ก็ทําไมไปถึงมีอะไรคือลึกคือ่นอั่านี้มากมายนะ จำเอกแค่นั้นเลยแม้ภาษาพูดไม่ให้เขาำตำหนิถูกๆดูหมิ่นบนพูดมากมก็เป็นเรื่องอย่างนี้เอาง่ายๆเป็นเรื่องเทศมนต์คาถามนต์ดำอะไรนะะมีอันหนึงเอาบางคนมันมีอคติบาจะต้องไปช่อ ง, องทั้งผู้หญิงผู้ชายอาจจะเป็นไปได้แล้วก็อำนาจของพวกอบยัยตรโอวาติศาสตรส์ตร่างๆเราพูดอย่างไรจะบ้างพวกพูดปีติศาสตร์ที่ ที่มันมีอ่าก็อาจจะเล่าก็รายอย่างที่ท <skin> ี่คุณยังมาว่านอย่างรายหนึ่งบอนทีเนี่ยเขาเป็นราชการผู้ใหญ่เป็นผู้ตรจการอย่างนี้แล้วกันนะอ่าเป็นสุภาสติีนามสกุลเขาก็ใหญ่แหละเขาไปวัดไอ้ที่มันเป็นวัดเขาเคยไดยังไปวัดอามาวัดเนี่ย โดยเฉพาะอันนภาวันเนี่ยนะมีหลายวัดนะวัดเดียวกันทุ ก, กล่าวไม่ใช่แถวราชวัฒน์อันนภาวันสิงบุห์บุรีตรงนั้นก็เป็นเขตเคยเป็นแดนปรหาหันแล้วก็ใก ล, สล้สมุทรประภุที่พระมงค์พ้ะมาอยูน่นะก็เรื่องก็หลรกหลาดก็เยอะนี่บังคนไปแล้วต้องมาดูมีอะไรแต่บางอย่างรายนี้ไปเนี่ยโอ้โหตัวหนักกลับมาเลยนะครัหนักตนนี้ที่โอโหมัน เดินเนี่ยมันเหมือนกับแบกของหนักๆทั้งที่ไม่ได้แบกอะไรเนี่ยนะมันหนักหนักหนักเหนื่อยเมื่อยเหมือนเราแบกของหนักนอนก็หนักนั่งก็หนักเดินก็ยิงหนักมันหนักเพราะอะไรสีมันกี่ข้อมันไม่ใช่สีเดียวมันหลายสีมันก็โอ้เต็มแม่เต็มตัว พอบังเอิญเขาพอจะมีประสบการณ์นในทางปฏิบัติแล้วก็มีกระเจ้าอะไรที่ท่านเก่งเก่งกรกิดมันขี่คอแล้วทำไงก็เลยต้องทำบุญแล้วก็แผ่เมตตายมันนะให้มันไปสู่ที่ที่มันควรจะไปก็เลยหายหนักเลยตัวเบา